ก็ 10 โดย 5 เมษายน 2535 ใน 16ณพุทธสถานสารีโอโศกณบัด จะเริ่มต้นเรื่องกว่าจะ เป็นการเข้าใจตามความหมายความรู้อะไรนี่ไปก่อนความรู้อะไรนี่ไปก่อนเสร็จ อ5 อนุเคราะห์สมาธิทิเนี่ย 12 คือ 1 นะ, รร 5, นะ, ปป2 1.2 พหุสูตเนี่ยสมถะ มีความเข้าใจว่าสมาธิฐิเป็นอย่างนี้เองนะอ่า ปฏิบัติไปเรื่อยๆเมื่อเราปฏิบัติมี ได้ทั้งปริยัติชรชัย ยิ่งมีปหุสูตยิ่งสิ่งที่เกิดจริงเนี่ยที่กล่าว ข้อขัดค้องมีปัญหามี論มีหนี้มีวิเคราะห์มีวิจัย การวิเคราะห์วิจัยถามไทยอะไรกันขึ้นมาแน่ เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น องค์ 6 ของสมาธิฐิมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือ ต้องต้องมรรคที่เราต้องธรรมวิจัยซโปชง ในภายในของเราเป็นตัววิจัยเป็นตัวโพชฌงค์ เกิดอุเบกขาสัมปชงซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของตัวยอดของๆกับ เสริมซ้อนกันแล้วก็จะเกิดสมาธิทิฏฐิยิ่งขึ้น ไม่ว่าในเหตุปัจจัยไหนไหนว่าเห็นจังของ มันความรอบรู้ของความจริงเพราะฉะนั้นความจริง เราจักรู้หรือไม่ใช่ว่ารู้โดยปริญญารู้ทรงสัจธรรมไม่ เพราะความเป็นความรู้ที่ประเสริฐของมนุษย์อันใดก็ตัว ทวนเริ่มต้นแล้วก็จะไล่ไปจากพอทวน นะ 10 เราเรียกว่า 1 เราเร นะ, 10 1 10 ถ้าเห็นถูกเห็นดีถูกเห็นดีเรียกว่าสัมมาทีนี้ 10 10 1 ก, บบ ง, ง, 2 3ๆ จำเป็นภาษาบาลีไปมี กิณังยิตังหุตังต่อมาก็กัมมานังๆก็น่ะ เสร็จแล้วก็อยังโลโกปโรโลโกอีก 3 น่ะกรรมนังแล้ว สัปปาอีก 3 9 มี 3 หมวด 3ๆนะๆถึงอาตมาก็ได้อธิบายไปแล้วเดี๋ยว หม สุดท้ายข้อที่ 10 ก็คือสมณพราหมณาสมณพราหมณาเราก็พูดสั้นๆ สมณพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปปนาเยอิมันจโรโลกังปรัญจโลกังสยังอภิญญาสัตถิกัตวาปเวเทนตีติโอ้โหบอกสัตถิโลเก สมคตาสัมมาปัตติปันนาเยอิมันจะสยังอภิญญาสัจฉิกัตวาปเวเทนตีติโอ้โหพอโอ้โหอ่านั้นๆด้วย 10อ10 10 นะหรือไม่มีหรือไม่ใช่อะไรก็ได้เป็นตัวปฏิเสธเป็นตัวนองนะเออตัวอาทิก็ คนท่านโปรว่าผู้ใดทินังคือการฌานการทําว่า หรือไม่มีผลทบบาปทางบุญอะไรมันบ้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นน่ะแต่ ถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้แต่ต้นเนี่ย คนที่เห็นว่าเรื่องฐานไม่เรื่องคือมีความเห็นแบบขาดศูนย์ ตายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่เตื้องไม่มีอะไรต่อทุกปีค่อยตายตายแล้วก็ พวกอุเฉททิผู้มีความเห็นว่าตายแล้วสูญพวกนี้แหมเกิดมาบาปให้ เป็นผลดีต่อสังคมเนี่ยเขาเนี่ย มันอย่างน้อยก็มีพฤติกรรมแห่งทานแล้วก็ตนๆ มีทั้งๆแล้วๆมีพฤติกรรมๆอ่ะนะไม่ได้ เพราะผู้อื่นเหมือนกับรถยนต์คันนึงมันไม่มี เป็นนั่นแหละมันก็เครื่องกลอันนั้นก็คือพระอรหันต์มันทําเพื่อ มันจะเหลือน้ํามันแค่สํารองแล้วมันก็จะ เราตัดคนไปว่าไม่ใช่ตัวไปเกี่ยวนะตัวตาย ถ้าตัวเองก็ไปมุดอยู่ในซุบอยู่ในรูๆ ก็ไข่มีแต่เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์เกิด เชื่อแต่เชื่อแค่ศรัทธายังไม่เกิดศรัทธา สำคัญสั่ง 5นนรร37 เนี่ยเราจะ 7 จะมี 4 4 4 สูตรหนึ่ง 5 มันจะเลขหวย 4578 เนี่ย 4 สมปัฏฐาน 4 อิทธิบาท 4 นี่ 3 ะ, 4 4 4 4 เพื่อเกิดพละให้มันเต็มเกิดอะไรเกิดศรัทธาเกิดวิริยะ 7, 8, รร ม, 5 ตัวนี่ 7 มรรค 8 เป็น 2 8 7 ปิติสมโภชชมปัสสัทธิสมโภชชงสมาธิสมโภช สมาธินี่เกิดตามเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตสโอภินิโรปนะถึงขั้นอุเบกขาเลย อุเบกขานะก็เป็นตัวสมถะเป็นตัวสมถะนะมัน คือตัวสบายตัวสบาย สบม. เป็นธรรมดาธรรมดาอ่า สบม. ธมด. ธรรมดา ปกต. ปกตินะ สบม. ปกต. หห สบด. ธมด. ปกต. หหจจหายห่วงๆก็ได้จริงๆและจริง จริงโว้ยนะก็ว่ามันหยาบก็เลยคุณธรรม 5 เหตุปัจจัยไหนวาระนะยิ่งตัวที่เป็นกิเลสนะโอ้เสร็จแล้วเรามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วจิต โอ้นี่ควันละเอียดอย่างนี้เหรอโอ้โหหีห่อโฆษณานี่มันน่า ไม่มีผักเฉยปริสุทธาปริโยทาตามุฑทุกรรมัญญาปภัสสราเออยังพ่องไสอย่างนั้นจะเอา เป็นเป็นแม่ครัวดีกว่าเป็นแม่ครัวให้เราไปปรุงแต่งอาหารให้ใครกิน บางอย่างถ้าไม่หลวกมันก็มีสารที่ เอ่อรถอย่างนี้แหละถูกปากคนคนขนาดนี้ต้องให้เค้ากินอย่างๆเป็นคนมีประสิทธิภาพมีฝีมือ อาตมาว่าอาตมาๆเลยนะเพลงนี้เพลงตะวันทอฟ้านําเพลงเออมันก็มันอ่ะ มันต้องทําเพราะว่าสังคมๆเลยถ้าไม่มีมันก็ได้ส่วน ถ้าไม่มีอะไรไปกั้นเราก็ไม่ ยากสู้เค้ายากแต่ก็ต้องทําบ้างอะไรงี้เป็นต้นทําไป ก็พอกินแต่อยากก็คิดกินแต่แกงที่มีเป็นผงชูเออไหนๆเค้าชิมที่ ทีนี้คนไหนที่ก็มีสารที่มันปฏิกิริยาที่ ผู้ใดปฏิบัติเสร็จแล้วจะเกิดอินทรีย์เกิดพละจะส่ง พระอารมีเมตตาเจตสิกกับอุเบกขาเจตสิก 2 ตัวนี้ทานศีลเนกขมะ วิริยะสัจจะอวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนะวิริยะสัจจะขันติศีล ไม่ต้องอีกแล้วปฏิบัติจบแล้วเพราะอรหันเป็นศีลบุคคลเนกขมะ นี่อย่าพวกคุณนี่แหละน่ะสัจจะก็สมบูรณ์แล้วเป็น เป็นตัวบทบาทฐานส่วนตัวสุด ไม่ได้ทำไปเพื่ออะไรเลยเพื่อให้เกิดมาไม่ใช่เพื่อให้อ่า วิธีประพฤติเพื่อจะให้เกิดทานก็มียิถังหูตังยิถังก็ จะทำพิธีอะไรยังไงก็ทำเล็กๆน้อยๆจนว่าต้องเป็นพิธี ถ้าจริงๆแล้วก็คือให้จนสมบูรณ์จนเป็นจิตนั่น ทานนี่มันนอกส่วนทั้งเวรนั้นเราถือว่าในเท่า ญัญยาพิธีเล็กญัญยาพิธีใหญ่อย่างไรตัว คถาภาษาธรรมดาธรรมดาที่เราได้ยินมาอย่างสัตว์ประเภท เราต้องแปลเซียนวิญญาณวิญญาณ แต่ทําได้จะอะไรล่ะใช่ซึ่งไม่ทําไอ้เช่นอะไรไหว้ เสียนี่เพราะฉันไปไหว้เจ้าบ่แพ้เนี่ยเส้นไหว้เก่งไหว้เจ้ายังไหว้เป็ดไหว้ไก่อยู่เพราะ ท่านสูงไปไหว้คน มันไม่ได้ชั้นดีนะให้ตายเถอะตายกับชินี่ยอดยอดนะชิกุ้ยจะ เอองมงายนั่นแหละเออเจริญขึ้นดีเจริญเนี่ย แจกจ่ายทําพิธีชั่วเหลือเกือกกูลทําพิธี รวมความอยู่แล้วในตัวปฏิบัติบทปฏิบัติเพื่อที่จะสูงๆนะ เพราะฉะนั้นเมื่อย่นย่อมาไม่ใช่ย่น พิธีหรือวิธีมันทําอะไรจะรู้วิธีทํางานรู้วิธี อยู่ที่ตัวเรากายวาจาใจแล้วก็ ก็เจ้าย่อมมีกิจปกอันจาก พิธีแต่มันก็คือพิธีกรรมจ้ะใหญ่ๆของโลกใหญ่ กิริยากรรมอุปฤติกรรมของตัวเราเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะ แต่ก็คือการงานนั่นแหละแล้วก็มี ทําเพื่อผู้ที่ควรได้ควรมีเพื่อผู้ที่ให้เกิดการสมบูรณ์ได้ควรมีเกื้อกูลกัน พจังมีผลจริงนะคุณจะให้ให้แก่สิ่งที่ควรได้ ให้ถูกบุคคลถูกบุคคลการกระทํานี้ๆ จิตบริสุทธิ์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเราไม่มี พวกขี้เกียจโหเจ้ากษัตริย์ไว้อบายมุขคือพวกหัวหน้านรกก็คือพวก เกิดมาเป็นผู้สร้างแล้วก็ให้หรือประทานมาเป็นผู้สร้างแล้วก็ๆๆๆ คือความพระเจ้าแต่เราที่จะให้เป็นผู้ที่ เสเลซาตานทําไมมันเกิดขึ้นมาโดยพระเจ้าไม่สร้างได้แล้ว <c oughs> ก็ว่าสร้างอะไรทุกสิทธิทุกอย่างทุกอย่างพระเจ้าสร้างและดันสร้าง <'s mean Rainbow Mercy> <laughs> มันเป็นของคู่อย่างเงี้ยอ่าเนี่ยมันนั่งอวดเก่งเลยเรา อย่าไปพูดถึงศาสนาคริสต์เลยเมื่อเกิดทีหลังศาสนาพระพรหมพระ จะไปพูดกับพวกที่นั้นก็เหมือนกับๆเราพระ คนอยู่ในโลกนี้เรียกว่าโลกธรรมดาของปุถุชนโลกที่ นกอยู่บนฟ้าว่ายอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้า โอ้โหยิ่งใหญ่รู้จักฟ้าอยู่เหนือฟ้าเป็นนกที่ สร้างน้ําได้ด้วยสร้างโลกิยะให้เค้าสร้างโลกิยะที่เค้า แล้วปโรโลโกเพราะฉะนั้นโลกอื่นหรือโลกใหม่หรือโลก เมื่อเจ้ากับมาร์คเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวเราเอง อุตตรกุรุทวีปอือเจ้าเปินะจัมปุตวีปอืมทวีป เป름ปุตวีป ก็ได้จัมปุตวีปคือทวีปที่ ผู้ที่จะให้เป็นเทวดาเข้าไปสู่ ตถกะเลยปะระปะโลโกนี่เป็นโลกจริงๆคุณจะต้องเกิดสัมมาทิฏฐิคุณอ่ะ โลกเก่าๆนี่ติดตาพึดโอ้โหอีลงตรงเตงมฤตติดอะไร เป็นกุศลกรรมที่แท้กุศลกรรมที่แท้กุศลนี่แปลว่าฉลาดแกมโกง จะปฏิบัติในรูปของยทังจะปฏิบัติใน มีกรรมสัทธามีวิปากสัทธามีๆ คุณก็จะเห็นจริงก็จะเกิดศรัทธาเกิดวิริยะ สมาธิก็ต้องมีปัญญาในๆจนกระทั่งแจ้งในโลกหน้า โอ้อย่างนี้เองคือๆหนังๆอยู่โลกเก่าโลกหยาบๆโลก การหลุดพ้นก็เป็นภาษาเท่านั้นจริงๆไม่ได้หลุดไป หมดสวนหมดนรกหมดเกิดหมดตายอยู่เนื้อมันเห็น 3 2 แม่มีพ่อมีสัตว์ทางอุปปาติกะมีไอ้ตาย แต่ความจริงแล้วมีสภาวะที่มันเป็นนามธรรมเป็น ภาษาเรียกเท่านั้นน่ะจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดนั่นเองคือความเกิด ปฏิบัติทําการงานอยู่ด้วยมีกรรมมานังทั้งหลายแหละนี่แหละมีกรรมมานัง ฆ่าถูกนะจนกระทั่งมันใกล้ที่สุดลึกซึ้งละเอียดเหลือ อ่าไอ้ข้อมูลอันนี้ถ้าสมมุติก่อนละเกิดเดี๋ยวอยู่ๆคุณ แล้วเราก็จะรู้ว่ามาตาปิตาไอ้ที่อะไรศีล เรื่องหรือแบ่งตัวแบ่งอสภาวะที่โอ้จุกจิกจู้ ปัญญาเนตเชื้อ เขาบอกว่าแกะออกคนให้อ่านมั่งอ่านคนนึงอ้ายแล ล้วนเป็นเด็กที่สมบูรณ์เป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเป็น ตั้งใจจะเป็นพระอรหันต์แต่แท้ปฏิบัติ สัมมาทิฏฐินี่แหละปัญญานี่แหละตัวพ่อจะ แต่เป็นเชื้อของผีอ่ะนะออกโลกมาเป็นผีหมดนั่นแหละแต อ่าบำพ่อไม่ถูกต้องแม่มาเนี่ย แมะคือเพศหญิงอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้มันก็สมาธิฐิไม่ต้อง จักจิตปัญญาเป็นทางอุปปาติกะเพราะฉะนั้นจะให้เอออันนี้คือ อ่ามีพลังงานในลูก อภิจิตนี่คือจริงๆเป็นจิตๆเกิดๆแล้วๆในจิตนั่นแหละกิเลสนั่นแหละมันเหมือน ละเอียดลึกสรุปแล้วนะๆนานาทีเนี้ยเอ่อซึ่งอาตมาเองอาตมาก็ เออแต่ละในในๆเอาตัวสําคัญสําคัญไปพิสูจน์ เพราะงั้นใครที่จะมาศึกษาแล้วก็มาพิสูจน์เอาไป <laughs> เอาไปเอามาผูกไอ้อาตมามันเป็นสมณภาพพราหมณ์ซะอีกนะเลยเป็นสมณพราหมณ์สมณพราหมนาอาตมาก็ ดำเนินชอบปฏิบัติชอบสัมมสมักกตาดำเนินชอบสัมมานะชอบกับชังไม่ใช่อันนั้นนะคือมัน เป็นผู้ที่รู้จักโลกนี้โลกหน้าเยอิมันจโรกังอิมันจโรกังก็ ที่มันจรโกกรรมปรัญจรโกกรรมสยังอภิญญาสยังเนี่ยแปล จนมันเกิดเองมีเองเป็นเองแล้วก็รู้ของตัวเองไอ้ที่มันเกิด มันเป็นฉะนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองแหละเรียกเอออันนึงมันก็ เอ่อเออก็ก็ได้อย่างนั้นก็ได้อธิบายอย่างนั้นก็ได้แต่มันแค่ปะมาทแต่มันก็ คุณจะรู้ของคุณเองเลยเพราะคุณทําได้ทําเป็นธรรม แต่อย่างของพระพุทธเจ้าตถตาเนื้อแท้กว่าตถตานะแล้วผู้ใด โลกหน้าเป็นอย่างไรหน้าเป็นอย่างไรเรามีเองเป็นเองเองเข้าแล้วเอง ไอ้ตัวเองของอะเองนี่แจ้งมา แจ้งตามรู้ได้ตามได้สมณพราหมณาอย่าง ไม่เห็นไม่มีพระอริยะก็ไม่เห็นคนไหน ยังไม่มีสมาธิทิฏฐิเลยต่อให้ไปเรียนดอกเตอร์มากี่ กูเองอ่ะจะได้จะเป็นซะเองก็ได้ๆโอ้โห นะอะไรนะออกมาแล้วระดับ 1 <อะไร> นะ? ระดับ 1 ระออกนะได้ที่แล้วก็ออกเยอะก็ ออกมาแต่หางหูตัวติดป่วยกาดีนะมันยังเหลืออยู่ ตัวมันออกมาได้นะโถ่โถ่เอ้ยตัวมนต์เบลอ ต่อออกมาไม่ได้ติดจริงๆมันขันหัวใจนะๆมันๆมันเป็นอยู่ <c oughs> อ่าแต่เนี่ยตั้งแต่โลกอบายมุขโลกธรรมโลกกามโลกอัตตามานะอัตตาตัวตนซึ่งเป็นเรื่อง เนรออกๆล้างละลดลงมาจริงเลยกิเลสคืออย่าง พระสารีบุตรเป็นแม่พระโมคคัลลาเป็นแม่มีพุทธเจ้าเป็นพ่อพระ พระแม่คือภาษาวัชมคลาภาษาอริยบุตรนี่เป็นทางปัญญานะนะเป็นแม่ เราเข้าใจแล้วว่าอะไรคือแม่คือพ่อนี้ต้องเข้า ตัวการการตัวการที่ทําให้เรามันทุกข์ทําเรียนวิธีการเรามันต่ําทําให้เรา กระทำออกให้เกิดเป็นผลๆเลยโลกคืออะไรอยังโลกโคคืออะไร ข้อสําคัญนี้ๆเออต้องสังเกตต้องอ่านเมื่อไหร่เมื่อไหร่ คุณก็พยายามทําความเข้าใจเองให้มันจับ ให้มันรู้ว่าแล้วมันอ่านใจ วิจัยวิจัยนั่นน่ะกําหนดสัญญานี่แหละมันจะต้องกําหนดรู้อืม เดี๋ยวว่าเราๆแล้วคุณทําอาการนั้นน่ะเราให้ เห็นด้วยญาณๆอนิจจังนี่ไม่เออใช่ มันเห็นแจ้งในอริยจังจริงเลยว่ากิเลสนี่มันนรก อย่างเป็นพวกๆแล้วมันไม่อยู่ตายตัวนะกิเลสของขึ้นหนาๆเลยคุณเองก็ อธิบายเมื่อเช้าคุณก็หามาบำเรอขึ้นสวรรค์ห่อๆเดี๋ยวก็ตกสวรรค์ใหม่ขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ใหม่ไม่ต้อง ตกสวรรค์ก็คือลงนรกนั่น อ่าวิธีบําบัดบําเถาด้วยเชิงปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่เถียงมัน วิธีอริยสัจ 4 ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ชัดแล้วยากกว่าคือ พ้นทุกข์ๆเลยพิสูจน์ให้เห็นๆมีญาณทัศนะๆ ไม่ต้องมายืนยันกับคุณหรอกนะแต่ก็ยืนนะอาตมา งกศิระมึงกระเป๋าว่าหัวน่ะถ้ายอดอืม วันหน้าต้องให้ยิ้มต้องเล่นบังเรื่อยๆอ่ามันก็เป็นตัวคุณจะเชื่อ เมื่อเชื่อแล้วมันจะเกิดความเชื่อนั้นมากแรงจนกระทั่งทําเยอะเหมือนกันแต่ ทีนี้เมื่อทําถึงขั้นเชื่อสัตตาสัตตาอุปปาติกะมีสัตว์มี ศรัทธาพละมันก็เกิดที่คุณเองไม่เชื่อมั่นดีๆไม่ต้อง คุณไม่เชื่อกับฉังคุณนะขอให้มาปฏิบัติลองดูไง เมื่อปฏิบัติแล้วทีนี้คุณจะเชื่อตัวสุดท้ายเชื่อมั่น ก็ดีกว่าขอให้เชื่อนะ ก็เชื่อนะ ปัญญาเยอิมันจะโรกังปรัญจะโร ผู้จะพาจะพาผู้จะสอนผู้จะแนะได้เปิดโลก เพราะด้วยศีลด้วยปัญญาคุณก็เกิดอทิจจ์อทิจจ์นี่ล่ะตัวนี้กับตัวจริงเนี่ยอย่า เปร่งก็เป็นนอกโลกปุตตระเคว้งก็เป็นนอก มีนั่นจริงๆอ่าสัมผัสได้พบ 1 ดำเนินชีวิตตรงตามหลักการ ความถูกต้องของการดําเนินชีวิตของประกอบๆ เมื่อเราศึกษามาปัจจุบัน มันก็ไม่เชื่อสัจจชดสดอ่ะก็ไหนว่าเชื่อนะฉอ เพราะออลลัทธิและแนวทางปฏิบัติของ เรารู้หรือไม่ว่าจะต้องมองอะไรมองที่ไหนมองอย่างไรไม่ว่าจะต้องมองอะไรมองที่ ต่อให้มีพระอรหันต์อยู่ตรงหน้าเราก็ เป็นสมณพราหมณ์นาอย่างของเขาเข้าให้ แต่คือณคําบอกสาระ 3 ต้องได้พบพระซึ่งประกาศโลกนี้โลก การรู้ยิ่งนี่ตนเองหมายความ หรืออย่างน้อยที่สุดท่าน ถ้าท่านอ้างว่าคุณธรรมภูมิปัญญารู้เช่น เราได้หลงปักๆแล้วน่ะอันท้ายนี่พูดเบาๆ สิ่งที่จริงน่ะถ้าสมมุติจริงจริงๆอ่ะจริงๆๆเนี่ย แล้วคนที่ๆนะไม่เปิดจิตฟังหรอกไม่เปิดจิตรับจิตนะพออ่าน อย่าไปทําจิตอย่างนั้นต้องทําๆเลย นอกจากคุณธรรม 5 ที่พูดไปเมื่อกี้ ไอ้นี่ก็ของเนี่ย นะคนที่ยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจใหม่ๆนี่ๆ นะอ่าทีนี้ธรรมะที่ทําความเป็น 15 เตือนแล้วนะ 5 วันอีก 5 เน้นๆก็วันนี้ก็ทบทวน เสร็จๆ